รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาธิเศตกันสังฆาธิเศตกันมีสิบสามสิกขาบทคือ 1. สุกกวิสัตถิสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทําน้ําอสุจิให้เคลื่อน 2. กายะสังสักคะสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องไข่กับมาตุคาม 3. ามสุทุลลวาจาสิกขาบทว่าด้วยการพูดเกี่ยวหญิง 4. อัตตะกามะปาริจาริยะ สิทาบทว่าด้วยการให้บำเรอความไข่ของตน 5. สัญจริตตสิทธาบทว่าด้วยการชักสื่อหกุติการชิตาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุฎี 7. วิหารการชิตาบทว่าด้วยการสร้างวิหาร 8. ปดฐมทุทธโทสสิทธาบทว่าด้วยภิกษุขัดเครืองมีโทสะสิทธาบทที่หนึ่งเทุติยะ สุทธาโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเครืองมีโทสะสิกขาบทที่2 10สังคเพศสิกขาบทว่าด้วยการทําสรงให้แตกกันสิ็ดสังคเพทานวัตตะกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุประพฤติตามและกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทําสรงให้แตกกันกสิบสองทุพภัจสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก 13. กุลทูสกะสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลสังฆาทิเศกกันจบ